ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเสนอตอนที่สองหลวงตาเล่าประวั ต, หว ต, วติหลวงตาเล่าประวัติไว้ว่าเรื่องประวัติตัวเองนั้นความจริง หลงตาไม่สนใจนะใครมาขอประวัติของเรามากต่อมากแม้แต่ใหญ่ที่สุดก็เคยมาขอประวัติแต่ไม่เคยให้ไม่ว่าผู้ใหญ่ที่สุดหรือเล็กที่สุดเราไม่ค่อยชอบแต่ส่วนมากในหลักธรรมชาติแล้วการเขียนหนังสือการเทศที่อัดไว้ในเท่ก็แสดงเอาตัวของตัวออกมาเหมือนกันเพียงแต่เราเป็นคนรู้เราเป็นคนเห็นเท่านั้นแต่หลักความจริงที่ออกมาจากใจก็ออกมาจากนี้เอง หนังสือถ้าเป็นประวัติล้วงตามมักจะมีผาดโวนอยู่นิสัยเรามักจะผาดโวนอยู่ตลอดแต่ก็ไปในทางที่ดีเมื่อมีผู้มาถามเรื่องประวัติเราก็จะเล่าให้ฟังโยมตามีลูกสาวคนเดียวคือแม่ ท่านรักของท่านมากพ่อของเราเป็นนายพรานในชื่อเสียงโด่งดังมากมาแต่งงานกับแม่มีลูกด้วยกันสิหกคนเราเป็นคนที่สองโยมแม่ได้เล่าให้ฟังว่าลูกทุกคนที่อุ้มท้องผ่านมานี้ไม่มีใครลำบากเหมือนเรามีเราคนเดียวที่ทุกอย่างผิดปกติไปหมดไม่ได้เหมือนใครกว่าจะได้เกิดมีเหตุการณ์ให้กระเทือนไปหมดทั้งครอบครัวเวลาเรามาเกิดแม่บอกว่า มีเรื่องแปลกๆเช่นตอนอยู่ในท้องบางครั้งไม่ดิดไม่ดิ้นนิ่งเงียบเชียบสนิทเหมือนคนตายแล้วแต่บางครั้งกับดิดดิ้นเสียจนนึกว่าจะตายแล้วเหมือนกันยิ่งจวนใกล้วันจะคลอดเข้ามาเท่าไหร่ยิ่งแสดงอาการหนักทุกอย่างเลยจนสุดท้ายเวลาจะคลอดมันก็ไม่ยอมคลอดบางครั้งโยมแม่ต้องร้องเรียกหายมตาพองเราว่าพ่อมาคลำดูลูกในท้องให้หน่อย ลูกของฉันไม่ใช่มันตายในท้องแล้วหรือเงียบสนิทอยู่เป็นเวลาหลายวันไม่ไหวติงเลยโยมตาก็ว่าเฮ้ย hey, มันไม่เป็นอะไรหรอกคนเขาก็มีลูกกันทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรโยมแม่ก็ตอบว่าเขามีลูกกันมันก็ไม่เหมือนลูกของฉันหลังจากลูกในท้องนิ่งเงียบเทียบสนิทอยู่หลายวันในที่สุดก็ดิ้นสุดแรงเกิดโยมแม่ก็รีหาโยมตาของเราอีกว่า พ่อฉันจะตายแล้วมาทํำดูลูกในท้องให้ฉันด้วยพอลูกในท้องฉันดิ้นมันก็ดิ้นจนเกินไปไม่ใช่ดิ้นธรรมดามันดิ้นเหมือนว่าท้องจะระเบิดลูกฉันไม่ใช่มันตายไปแล้วหรือโยมพ่อกับแม่เมื่อฝันท่านทั้งสองย่อมฝันขัดแย้งกันตลอดโยมพ่อฝันมักฝันแต่เรื่องของลูกผู้ชายเช่นฝันว่าได้ปืนหรือเห็นผู้ชายถือปืนโยมแม่ฝันมักฝันแต่เรื่องของผู้หญิงเช่น ว่าเห็นตลับขี้ผึ้งหรือเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวของผู้หญิงถ้าฝันขัดแย้งกันอย่างนี้เป็นที่นายชัดว่าพอลูกเกิดมาก็เป็นลูกผู้ชายทุกคนในที่สุดถึงคราวที่เราจะมาเกิดเยอมพ่อฝันว่าได้ไมีโคกคื อ, คอมีที่มีด้ามเป็นงาฝักเป็นเงินมีปลายแหลมคมยีมแม่ได้ฟังดังนั้นจึงพูดแย้งขึ้นว่าอุ้ยฉันไม่ได้ฝันอย่างนั้นฉันกลับฝันไปว่าได้ต่างหูทองคํา เวลาใส่ต่างหูอันนี้อุยมันช่างงดงามหยดย้อยอะไรป่านนั้นงามมากถึงขนาดอดใจที่จะไปส่องกระจกดูตัวเองไม่ได้เมื่อส่องดูก็ยิ่งสวยงามแวววาวประทับจับใจยมตาได้ทำนายฝันของยมพ่อยมแม่ไว้ว่าเออลูกมึงคนนี้กูว่ามันต้องเป็นผู้ชายมันเกิดมามีทางเดินให้เลือกอยู่สองทางหนึ่งถ้ามันไปในทางชั่วแล้วพังหมดเลยว่ะ ความโหดเหี้ยมมหาโจรสู้มันไม่ได้มันยังเป็นนายยังเป็นหัวหน้ามหาโจรอีกจะให้จับมันไปเข้าคุกตารางไม่มีทางต้องฆ่ามันเท่านั้นถึงจะจับมันได้และมันจะไม่ยอมตายอยู่ในเรือนจำนะสูมันจะตายแบบไม่มีป่าช้าสู้กับเจ้าหน้าที่อยู่ในป่าในเขาต้องตายอยู่ในป่าวัดกันกับเจ้าหน้าที่เขาเพียงนั้น 2. ถ้ามันไปทางดีแล้วถึงไหนถึงกัน จะดีแบบสุดโตงตรงกันข้ามกับฝ่ายชั่วยมแม่ได้เล่าให้เราฟังว่าพอเราตกคลอดออกมาแล้วตรงกับวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2456ตรงกับวันอังคารขึ้นจุเดียต่ำเดือน9ก้าปีฉลูณบ้านตาด อ, อเมืองจงังหวัดอุดรธานี มีสายรคพันคอเงียบเฉยไม่มีเสียงร้องแม้แต่น้อยผิดกับเด็กทั่วๆไปเขาจิงเอาน้ำสาดใส่นิดหนึ่งแทนที่มันจะร้องกลับไม่มีเสียงออกมาเลยแม้แต่น้อยโยมตาก็ได้ทำนายความเป็นไปไว้สามประการคือ 1. สายโซ่ 2. สายกำยำํายําหรือสายสะพายปืนสสายบาดคำว่าสายโซ่นั้นก็หมายถึงไปทางโจรขโมยสมัยเป็นหนุ่มน้อย เราเคยคบเพื่อนไม่ดีกำลังจะไปค้าฟินกับเขาเขาชวนไปขายฟินแต่ยังไม่ได้ขายนะซื้อฟินมาแล้วเตรียมตัวจะนำไปขายครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองก็ยังทำไม่สำเร็จในเหตุเป็นบันดาลให้ไปไม่ได้พอดีกับตอนนั้นพ่อน้าตาร่วมขอให้เราบวชเรื่องค้าฟินกินปัดทิ้งทันทีไม่ได้สนใจและไม่เคยถามถึงเป็นกระชั้นต่านนี้ฝินไม่ได้อยู่กับบ้าน อยู่กับศูนย์กลางกับเพื่อนนี่คือทางสายโซ่ถ้ า, าไปขายปืนต้องติดทุกติดตารางทางสายที่สองสายกำยำคือสายสะพายปืนพันคอหมายถึงเราโตเป็นหนุ่มก็เดินตามรอยพ่อเป็นพรานเหมือนพ่อปือนก็อยู่กับบ้านไปไหนเฉยจับไปเลยเริ่มออกยิงสัตว์แล้วแต่ยังทำไม่มากเป็นแต่เพียงเริ่มข่าเท่านั้นนี่คือทางสายกำยำหรือสายสะพายปืน ทางสายที่สามสายบาดพันคอสายบาดพันคอหมายถึงจะได้ออกบวชเป็นพระพอเราตกคลอดออกมามีสายรบพันคอโยมตาเห็นดังนั้นจึงรีบแก้เคล็ดเสด็จเคราะห์ให้เป็นมงคลอย่างยิ่งโดยแจร้องพูดให้พอในทางดีแกเราขึ้นทันทีว่าโอ้รคพันคอรคพันคอนี่เป็นสายบาดสายบาดสายทางธรรมนี่สายบาดสายบาดสูดูนี่ดูนี่สายบาดนะสายบาด เด็กน้อยคนนี้มันจะได้บวชเป็นพระแล้วก็จะได้เป็นนักปรานีคือทางสายบาตรในที่สุดมันก็ลงมาทางสายบาตรนี่แหละนะที่โยมตายได้ทำนายไว้ก็ไม่มีผิดพ่อกับแม่ของเราแม่มักจะขี้บนมากกว่าพ่อพ่อนานๆจะบนสักทีพ่อบน แม่ก็จะเสียงร้องว้าขึ้นมาบ้างบางทีพ่อกับแม่ทะเลาะ ก, กันเราเป็นกรรมการตัดสินให้เราได้บอกว่าใครเป็นคนผิดคนถูกก็รู้กันนี่ทำไมทะเลาะ ก, กันเด็กเขาก็รู้เป็นถึงพ่อแม่คนต้องรู้สิว่าใครผิดใครถูกพ่อกับแม่ได้ฟังดังนั้นก็แตกนี้กันไปคนละทิศคนละทางไม่พูดอะไรกันเงียบเลยพ่อแม่เรามีลูกตั้งสิบหคนตายไปตั้งแต่ยังเล็กๆ6คนยังเหลืออยู่สิบคน พูดถึงพ่อแม่เราลูกหลายคนเท่าไหร่พ่อแม่ยิ่งจะตายไอ้ลูกน้อยคนก็ยังชั่วหน่อยไอ้ลูกหลายคนแหนไม่ทราบว่าจะวิ่งหาใครต่อใครจะช่วยใครต่อใครพ่อแม่มีลูกหลายคนแต่เรียนหนังสือพร้อมกันสามคนสมัยเด็กอายุสิปีเขาให้เข้าโรงเรียนถ้าต่ำกว่านั้นเขาไม่รับเข้าในบัญชีเรายังไม่ลืมนะเขาให้เป็นลูกเสือ ไปซื้อชุดลูกเสือเราเป็นน้องก็จริงแต่เรียนสูงกว่าพี่พี่ได้ชุดลูกเสือเราเป็นน้องเรียนสูงกว่าพี่ก็ควรจะได้เช่นเดียวกันตกลงเราทั้งสองก็ได้พร้อมกันราคาฝ้าเสียตั้งเจดบาทเจดบาทในสมัยนั้นไม่ใช่เล่นๆ น, นะฝังลึกมากพ่อบอกว่าอุย้ยกูก็มีเงินเท่านี้แหละกูหามาได้สองสามวันสูงก็เอาไปหมดเรายังจาฝังใจไม่ลืม เวลาไปสอบได้เราได้ที่หนึ่งเสมอส่วนบักคำไพรผู้เป็นพี่ชายขาดเพียงคะแนนเดียวก็จะสอบผ่านคือว่าคะแนนถึง10บจริงจะสอบผ่านมันสอบได้เพียง9คะแนนจริงสอบตกเราทิ้งแซงขึ้นไปเรียนชั้นสูงกว่าพี่ชายเราเซ่อเซ่อนะเวลาเรียนหนังสือวันหนึ่งพี่ชายเรียนหนังสือแล้วครูให้เข้าแถวใครเป็นคนที่ยืนอยู่อันดับแรกก็นับหนึ่งสองสาไปตามลําดับพี่ชายเราอยู่คนที่สิอ พอนับถึง11บเักคำไพรนั้นมันอ้าปากค้างอ้าอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นมันนับไม่ได้หน้าไม่ได้หลังอะไรเราเป็นเด็กกว่าไปอยู่แถวๆนั้นจิงตะโกนบอกมันว่า11 11 11ดอบเดตอบไปเร็วสพี่สิพี่ชายก็ตอบตามนั้นมันทำเรื่องขายหน้าเราตั้งหลายครั้งตอนอยู่ในโรงเรียนเราเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งมันยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรทีนี้เวลาครูถามเรื่องง่ายๆ มันน่าจะคิดได้แต่มันกลับคิดไม่ได้ทําให้เป็นเรื่องยากครูได้ถามมันว่าค้างคาวภาษาอีสานเรียกว่าอะไรมันตอบว่าเรียกว่าเกียทีนี้ครูถามย้อนกลับว่าเกียภาษากลางเรียกว่าอะไรแทนที่มันจะตอบว่าค้างคาวมันก็ย้อนกลับไม่เป็นนะมันโง่จะตายเพื่อนเขาหลอกให้ตอบแบบไหนมันก็ว่าไปตามเขาแบบนั้นคุณครูก็ถามย้ํำๆเกียเรียกว่าอะไรเกียเรียกว่าอะไร เรียกว่าอะไรพวกเพื่อนๆของมันที่นั่งอยู่แถวนั้นก็พูดหลอกมันแอบกระซิบข้างหูงมันว่าเรียกว่าดังวี่งมันเหลียวมองโน้นมอง น, ององนี้มองพูดมองพี่แล้วก็ตอบตามเขาเรียกว่าดังวี่ดังวี่ก็แปลว่าจมูกวิ่นเสียงหัวเราะก็สนั่นโกรนได้เราเป็นน้องเราคิดได้แล้วนะเขาให้แปลย้อนหลังเท่านั้นมันก็ทําไม่ได้คนเราหน้าโมโหเป็นที่สุดแต่ก่อนเราเป็นเด็กนักเรียนหนังสือ อันไหนที่มันติดใจมันจําได้ไม่ลืมที่เป็นกติธรรมได้ดีเราพอจําได้ว่าสมัยนั้นโรคไอวาระบาดครูเขาเขียนไว้สอนนักเรียนให้ท่องจําเราจําได้แน่นย้าว่าไอวากรรมเริ่มล้างมือก่อนเปิดด้วยน้ําประปาผักดิบผักสดโพตเสดีกว่าหากใช้น้ําท่าจงต้มเสียก่อนอาหารหวานขาวเมื่อกินทุกคราวด้วยแต่ร้อน อาหารสัมส่นจำไว้คร่สอนกินไม่ดีเอย่ยให้ล้างมือก่อนเปิบนะเวลาจะกินข้าวรับทานข้าวพูดว่ากินข้าวนั่นแหละถูกภาษาดั้งเดิมของเราเป็นแ่นเป็นสารไอคำว่ารับทานรับทานนี้ปรับจีเดียดให้เพราะพริพร้งไปต่างหากรับทานนั้นรับทานนี้กินเท่านั้นพอถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอ e ิชถ้าภาษายวนอันเกินเป็นอย่างนั้นแหละภาษาต่างถิง่นต่างแดน แต่ละที่ก็พูดต่างๆกันไปถ้าครูอาจารย์ดีแล้วซึ่งใจที่สุดนะครูของเราเป็นคนดีเราเป็นนักเรียนชั้นป .3 เห็นไมมละ่ละเวลาเราเรียนจบป .3 เราเรียนจบป .3 ใช่นเมื่อไรครูดีครูไม่ดีเราก็รู้อย่าว่าแต่นักเรียนดีนักเรียนไม่ดีอย่างเดียวครูสำคัญมากเป็นแบบทิมพ์เป็นต้นตำรับทีเดียวครูชารีสิงหสุริยะเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลบ้านตาบในสมัยนั้น เป็นครูที่เราเคารพมากที่สุดถ้าครูจิกะทะเลทลายหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้แล้วนักเรียนก็ว้าเวนักเรียนก็เสียอกเสียใจนักเรียนไม่ใช่มีคนเดียวครูคนหนึ่งนักเรียนมีกี่คนจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายเพราะครูไม่ดีเพียงคนเดียวครูปฏิบัติดีเพียงคนเดียวลูกศิษย์ลูกหามีความร่มเย็นมากครูให้ตั้งใจอยู่ในฐานะของครูจิงจะเป็นที่ร่มเย็น เหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ของนักเรียนนักเรียนเป็นเหมือนลูกเต้าเหล่ากอของครู